ธรรมบัญญายของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณแด่ท่านสาธุชนเป็นประจำสำหรับวันนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นการสนทนาธรรมซึ่งทางรายการก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหานัถพลเศรษฐธรรมโมป ร, รียนธรรม9้าประโยคจากวัดสะเกด ร, รา ช, ชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ก็มาอยู่ในห้องส่งตรงนี้กับอาตมาแล้ว จะแนะนําให้สาธุชนได้รู้จักกับพระอา จ, รรจ า, กการย์กราบน้ำมศการครับพระอาจารย์ครับน้ำศการครับท่านมหาและก็เจริญพรสารธุชนทุกท่านก็ดีใจที่ได้มาร่วมรายการกับท่านมหาสุบรรที่ใ น, ในรายการธรรมสุตติในวันนี้ส่วนว่าท่านมหาสุบรรทจะให้คุยเรื่องอะไรนั้นก็เออก็แล้วแต่ท่านครับวันนี้ ก็ตามที่สาธุชนพุทธบริษัทหรือผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้บางท่านบางคนอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเช่นหลักการเบื้องต้นง่ายๆอย่างเช่นว่าการระลึกชาติได้เหล่านี้ในทางพระพุทธศาสนาบางคนที่ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติอาจจะสงสัยว่าเป็นเรื่องในพระพุทธศาสนาหรือเปล่าวันนี้เป็นประเด็นที่จะนําเสนอสู่ท่านสาธุชนเพื่อที่จะได้เข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมตรงนี้อยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเรื่องการระลึกชาติได้นี้มีปรากฏอยู่ในหลักธรรมคําสอนหรือไม่ครับพระพุท ม, มีครับการระลึกชาติได้นี่มีอยู่ในคําสอนของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในคืนวันประสรุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับได้ทรงระลึกชาติครับท่านมหาครับผมก่อนจะ ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสสัมมาสัมพุทธิยานทรงระลึกชาติก่อนครับระลึกชาติถอยหลังไปพบตัวพระองค์เองว่าอ๋อเคยเป็นใครมาจากไหนไม่ใช่ชาติเดียวนะครับหลายชาติอเป็นร้อยชาติพันชาติแสนชาติถอยหลังไปนะครับนับไม่ท้วนเลยครับเรื่องเหล่านี้ก็มีปรากฏอยู่มีครับเยศผมผมจะอ่านให้ฟังได้ไหมครับนิมนต์นะครับพระอาจารย์เพื่อที่จะให้สาธุชนได้มั่นใจว่ามั่นใจสิ่งเหล่านี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าครับก็อย่างที่ที่พระองค์ได้ตรัสกับโพธิราชกุมารนะครับอยู่ในอยู่ในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญนาสนะครับโพธิราชกุมารนี้เป็นพระราชาพระองค์หนึ่งในสมัยโน้นนะครับซึ่งเป็นผู้ที่สนใจธรรมะในทางพระพุทธศาสนาได้เข้าเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจําพระองค์ก็เลยได้ตรัส เรื่องอดีตของพระองค์คือในช่วงคำว่าอดีตนในหมายถึงว่าในช่วงตอนที่ตรัสรู้นะครับว่าก่อนจะตรัสรู้พระองค์ทํำยังไงบ้างเคยเสวยชาติเป็นอะไรบ้างคือหมายถึงว่าพระองค์ทําอย่างไรจึงได้ตรัสรู้นะครับอ๋อครับก็เลยเล่าในคืนนั้นนะครับเล่าไว้ในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญนาทครับเรื่องราวเป็นยังไงครับอาจารย์ผมจะอ่านเลยนะครับครับพระองค์ตรัสว่าราชกุมารครั้นเราเกลือนกินอาหารหยาบ ทำกายให้มีกําลังได้แล้วเพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่เพราะสงบวิตกวิจาร์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลวอยู่เพราะความจางไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะ สเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่3ามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้า ก, กล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่เบกขามีสติอยู่เป็นสุขและเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงได้บรรลุฌานที่4อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สตสิเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล่แหลอยู่นี่ตอนต้นนะครั บ, รบหมายถึงว่าพระองค์ได้บรรลุฌานตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่4เสียก่อน นี่นี่กล่าวถึงนะครับคพอถึงชั้นที่สี่ที่ถึงชั้นที่สี่เสร็จแล้วครับเป็นยังไงต่อไปมีดังนี้ครับพระองค์ตรัสว่าเรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสครับครับไม่มีกิเลสหมายถึงกิเลสสงบระงับนะครับในในช่วงนั้นนะครับยังไม่ได้บรรลุนะะสัมมาสัมพุทธิยานปราศจากกิเลสนะครับ ขันเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวารสานุสติญาณคือปาญที่หนึ่งครับเรานั้นเราลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคำว่าขันก็คือตัวตนของพระองค์ท่านเองนะครับครับผม คือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้าง3ามชาติบ้าง4ี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10บชาติบ้างจนถึงร้อยชาติพันชาติแสนชาติตลอดหลายสังวัตตะกับหลายวิวัตตกับหลายสังวัตตกับและวิวัตตกับบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพโน้นมีชื่ออย่างโน้นมีโคดมีวันนะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพโน้นมีชื่อโคตวรรณะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้เรานั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้ราชกุมาร น, นี้เป็นวิ ช, ชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแห่งราตรีอวิ ช, ชาถูกทำลายแล้ววิ ช, ชาเกิดขึ้นแล้ว ความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผาบาปมีตนทรงไปแล้วและอยู่โดยควรอันนี้คือปรากฏอยู่ในคำพีทางพระพุทธศาสนาะนี่เป็นพุทธพจน์นะครับเป็นพระธรรมดั่ของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่ตรัสเรื่องการระลึกชาติได้ของพระองค์เองครับนี่แหละครับปุปเพนิวาสานุสติยานหรืออติตังสยานคื อ, อยานพูดง่ายๆก็คื อ, อยานระลึกชาติได้ได้นะครับ แต่ว่าก่อนจะเลิกละลึกได้นี่ทํำไงก่อนครับคือต้องได้ฌานก่อนครับพระองค์ได้ฌานใน่อนถึงฌานที่4ี่แล้วน้อมจิตไปนี่ครับเป็นหลักฐานที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาครับท่านมหาอันนี้สาธุชนก็คงจะได้รับฟังได้รับการยืนยันจากพระอาจารย์ว่าการระลึกชาติในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างถูกต้องในพระไตรปิฎกทีนี้อยากกลับเรียนพระอาจารย์ถึงประเด็นต่อไปว่า คนมีความสงสัยในปัจจุบันนี้มากเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้พออาจารย์มาเปิดของที่คล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่าเปิดของที่คว่นะําหรือว่าหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดอย่างนี้สาธุชนก็คงจะมั่นใจลงไปอาจารย์มีประเด็นที่จะเสริมตรงนี้ให้สาธุชนได้ยึดมั่นหรือว่าได้ถือกันเป็นปฏิบัติต่อไปมีไหมครับผมประเด็นตรงที่ว่าระลึกชาตินี่เลยครับ อ uh, ให้ให้ยึดถือยึดมั่นยังไงครับคือคงให้ให้มั่นใจว่าเออเรื่องเหล่านี้เป็นของจริงอย่างนั้นนะครับอ๋บอก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็นอกจากที่ได้อ่านให้ฟังนะครับคือปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ส่งธรรมมาก่อนได้บรรลุมาก่อนที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณคือระดึกชาติได้คือสามารถที่จะทำแรกอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ย ไม่รู้อะไรไม่รู้อดีตเนี่ยว่าเราเป็นใครมาจากไหนเนี่ยสามารถเปิดอวิชชาตัว น, นั้นออกวิชาเกิดแทนที่คือความรู้แจ้งเข้ามาอ๋อคนเรานี่มันมีอดีตนะอดีตมีเข้าไหยครับพออดีตมีสาวลงไปแล้วมันมีหลายพบหลายชา้นโอ้เยอะแยะหมดเลยแล้วพระองค์ก็น้อมไปอีกอยานหนึ่งครับในในมัชฌิมยามคือกลางคืนแล้วในช่วงกลางคืนก็ อ, อยากทราบว่าพระองค์เองกับคนอื่นนี่จะเป็นเหมือนกันไหมหนอ มีตายแล้วเกิดเยอะแยะไหมนอ้องจึงเข้าฌานอีกครับเข้าฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ให้ใจใสอีกน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานหรือที่พระจักขุยานครับเป็นญาณที่สองยานที่สองครับเห็นล่ะทีนี่ครับเห็นสัตว์ที่เรียกว่ากําลังจุติคือกําลังตายนี่ครับตายแล้วเข้าไปเกิดอ้าวพอจุติคือออกจากคือตายจากกายนี้ครับไปเกิด ตงที่โน้นเช่นว่าไปเกิดบนสวรรค์ก็มีไปเกิดกำเนิสัตว์เดรัจฉานก็มีไปเป็นสัตว์นรกก็มีตามกรรมที่ทำไว้ตามกรรมที่ทําไว้ตามแต่อกุศลกรรมหรือกุศลกรรมที่เกิดขึ้นจึงจึงทรงเห็นทั้งของพระองค์เองและของผู้อื่นนี่แหละพระองค์เองได้นําหลักอันหนึ่งมาสอนพวกเราก็คือว่าหลักของกรรมนะครับคนเราจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่กรรม เก็นกับว่าทํากรรมดีได้ดีทํากรรมชั่วได้ชั่วครับก็มีหลักฐานอยู่ครับผมก็จะขออ่านในยามที่ในยามในในยามที่สองที่พระองค์ทรงทรงทรงบรรลุนะครับว่าเป็นมาอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับครับผมขออ่านเลยนะครับนิมนต์ครัอาจารย์ครับเรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงาน ถึงความไม่วันไหวตั้งอยู่เช่นนั้นเช่นนี้แล้วได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูตปปาตยานเรามีจักขุทิปบริสุทธิ์กว่าจักสุขของสามัญมนุษย์ครับย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่เลวซามประณีตมีวันณะดีมีวันณ ะ, ะเลวมีทุกมีสุขเรารู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามคำว่า ผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตผู้ติเตียนพระอริยะเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฐิประกอบการงานด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปล้วนพากันเข้าสู่อบายทุกติวินิบาตนรกท่านผู้เจริญทั้งหลายส่วนสัตว์เหล่านี้หนอหมายถึงอีกพวกหนึ่งนะครับ ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตวโ น, นสุจริตไม่ติดเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกาแตกายไปย่อมพากันเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เหล่านั้นมีจักขุทิปบริสุทธิ์ล่วงจักขุสามัญมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวประณีตมีวันณดีวันณสามมีทุกข์มีสุขรู้ชัดหมู่สัตว์ ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ชะนีราชกุมารอันนี้หมายถึงโพธิราชกุมาร น, นะครับครับนี้เป็นวิ ช, ชาที่สองที่เราได้บรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีอวิ ช, ชาถูกทําลายแล้ววิ ช, ชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทําลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลวอยู่โดยควรครับนี่ ค, คือปรากฏยานที่สองแจ่มแจ้งแก่พระองค์ครับ ก็ชี้ให้เห็นว่าพระองค์เมื่อบรรลุญานนี้นะครับพระองค์เห็นนรกเห็นสวรรค์นะครับเพราะว่าตรัสบอกว่าเราสัตว์ที่ประกอบด้วยกายทุจริตวัจีทุจริตมโนทุจริตในกติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกตายไปนี่ครับครับย่อมเข้าถึงทุคติวินิบาตทารกใช่ไหมครับนี่ก็ตรัสเรื่องอบายภูมิแล้วเล่าตรัสเรื่องอบายภูมิแล้วนะครับเห็นแล้วว่าอบายภูมิมีอยู่แล้วครับ ทุกติพเนีครับมีอยู่แล้วเห็นแล้วแหะครับตอนนี้ครับนี่แหละครับเพราะว่าบางทีคนก็สงสัยว่าพระพุทธศาสนาเนี่สอนเรื่องเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อจริงๆแล้วในคัมภี์ก็พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ใช่ไหมครับนี่แหละครับพระพุทธเจ้าเห็นมาก่อนเลครับท่านแล้วก็ตรัสไว้ในทางตรงข้ามว่าผู้ที่ประกอบด้วยกายสุจริตคือคือทำความดีทางกายวจีสุจริตทําความดีทางวาจาเช่นว่าพูดเพราะพูดไปเราะไม่โกหกอย่างนี้นะครับ มโนสุจริตคิดดีนะครับมีเมตตาอารีเอื้อเฟื้ออย่างนี้นะครั บ, รบถ้ามีลักษณะที่ว่ากายสุจริตวจีสุจิติมโนสุจริตและก็ไม่ตีเตียนพระริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วก็เบื้องหน้าแตกกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ใช่ไหมครับนี่ครับย่อมพากาันเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เรานั้นมีจกักษุทิพย์บริสุทธิ์ล่วงจากสุสามัญมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติและอุบัติ อยู่เหลวและประณีตมีวรนนะัดีวรนนะัดซ ม, มีสุขมีทุกข์ต่างกันในรู้ชัดมีพระองค์เห็นนะครับสุคติโลกสวรรค์แสดงว่าในคืนนั้นเห็นทั้งนรกเห็นทั้งสวรรค์อนี่ธรรมะของพระเจา้านี่พระองค์ไม่ได้เป็นนั่งนึกเอาใต้ต้นโพนี่ครับทรบ<อ> ง, งเห็นใช่ไหมครั บ, รบเห็นด้วยทิพยจักขุยานแ ต, แต่ว่าทิพยจักขุญานอันนี้จะเกิดขึ้นก็เหมือนกับปุเพนิวาสานุสติยานหรือระลึกชาติเมื่อเรากล่าวถึงตอนแรกนะครับปฏิทังสัยยานที่ว่านั้นก็เกิดขึ้นด้วยอํานาจของสมาธิตั้งแต่ปมาถถึงจตุ องค์แห่งชาด น, นี้ข่มกิเลสไว้<อ>แล้วก็จึงสามารถเข้าไปรู้ไปเห็นสภาวะธรรมหรือว่าวิชาเกิดแล ะ, จะเจริญขึ้นตรงนั้นครับทำไมตามนุษย์เรามองไม่เห็นเลยไม่เห็นหรอกครับว่ากิเลสมันหนามันบังทุลีนทุลีนในจกักษุนี่มันบังหมดมันมองไม่เห็นแต่ที่เห็นเห็นด้วยจักขุเป็นทิพนี่คือาตาทิพนะครับครับตาทิพ นั่นคือเกิดจากผลที่การบำเพ็ญฌานสมาบัติครับนี่ผลของสมาธิโดยตรงนะครับใครบอกว่าสมาธิไม่มีผลไม่มีประโยชน์นี่มาอ่านตรงนี้เถอะครับครับนี่พระพุทธเจ้ารู้ชัดว่าบาปกรรมมีนะครับบาปกรรมรอดถ้าทํำกรรมชั่วทางกายทางวาจาทางใจแล้วนี่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิไปตีเตียนพระอริยเจ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เลยครับทางทางที่ชั่วผลก็คือว่าเบื้องหน้าแต่ตายแต่กายแตกตายไปนะครับย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบากนรกเจอกับพระองค์เห็นนะครับเห็นเป็นอย่างนั้น เห็นชัดสัตว์ที่ทำกรรมชั่วจะไปอย่างนั้นจะไปอย่างนั้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งพระองค์ก็เห็นอีกเห็นว่าตรงกันข้ามครับไม่ทําความชั่วทางกายวาจาคือประกอบทั้งสุจริตกายวาจาใจเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปก็กายแต่งตายไปก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์นี่พระองค์จะเห็นสวรรค์นะครับเห็นเห็นสวรรค์เห็นภบภูมิที่เป็นสุขติภูมิที่ผลจากการประพฤติสุจริตคือทําความดีครับทั้งในปัจจุบันก็ได้รับความสุขในปัจจุบันแม้แต่ตาย กายแตกทําลายไปแล้วก็เข้าถึงโลกสวรรค์ครับครับนิดตรงนี้เองที่พระพุทธเจ้าทําไมพระองค์จึงสอนเรื่องกรรมเพราะเห็นชัดว่าที่ไปเกิดดีและชั่วต่างกันนั้นเพราะอะไรเมื่กี้เราได้อ่านผมผมได้อ่านนะเพราะว่าทํากรรมไม่เหมือนกันทําบางคนทํากรรมชั่วทางกายทางวาจาทางใจครับนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เข้าถึงทุกขติวิบัตินรก ตามกรรมที่ทําหนักเบานะครับแต่ถ้าทํากรรมดีทางกายวาจาใจาที่เรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะครับก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เองครับไม่ใช่ใครบันดาล น, นะครับท่านมหาพูุง่ายคนคจะไปเกิดบนในนรกหรือว่าไปบนสวรรค์นี่ไม่มีใครมาโดนบันดาลให้ไปเกิดกรรมของแต่ละคนทําเองอกรรมนี้เป็นตัวจําแนกใช่ไหมจำแนกที่ บ, บอกว่าอะไรนะ อ, อพุทธภาษิตที่ว่าไว้อะ กรรมมุนาวัตติโลโกโ น, นั่นสัตว์โลกยมเป็นไปตามกรรมและอีกอันหนึ่งก็คื อ, อกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและพระนิตต่างกันใช่ไหมครั บ, รบเป็นภาษาไทยเอาเอ ง, ง่ายๆกันเลยการนะนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุว่าทําไมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสงสัยทำไมคนยังไปเกิดดีและชั่วต่างกันก็เห็นว่าเพราะกรรมนี้เองที่ทําก ร, รรมทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยไม่พ้นไปจากนี้ทางกายมีกี่ทางสมหาจําได้ไหมทางกายก็มีสามะะาคืบ กายทุจริตเช่นว่าฆ่าสัตว์ออนี่อันนึงนะแล้ก็ลักทรัพย์ลักทรัพย์แล้วก็ประพฤติผิดในการมนั่นในกายกรรมใช่ไหมครับครับผมอยู่ในนี้แหละใหญ่ๆกว้างๆแล้ววัจจีกรรมเลครับวัจีกรรมนี้ก็มีสี่เช่นพูดปลอพูดคำหยาบอพูดส่อเสียดเอแล้วก็พูดเพ้อเจ้อนี่หมายถึงว่าทุจริตวัจจีทุจริตนะครับมีสี่อย่างมโนทุจริตเลยครับมโนจารทุจริตก็มีสาม คือโลภอยากได้ของเขาพยาบาทพยาบาทบองร้ายเขาเห็นผิดจากแล้วก็เห็นผิดจากครองธรรมกรรนี่แหละครับที่เป็นเหตุให้มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายไปสู่ทุกขติวินิบาตินรกนี่เพราะกรรมตัวนี้เลยครับกรรมของใครของมันถ้าใครไม่ประกอบด้วยกรรมเหล่านี้นะครับมีศีลนะครับกายสุจริตนะครับไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตนะครับไม่ลักของไม่ขโมยเขาใครไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อะไรพูดก็พูดดีอย่างนี้นั่นแหละครับทรงผลเองครับ ไปเกิดในสุปติคูณอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ะพร ะ, พระองค์เห็นจึงเอากรรมมาสอนจึงบอกว่าให้พวกเรานี้มีศีลกันเนอะเพราะว่าศีลเนี่ยจะเป็นเหตุให้คนเนี่ยประพฤติดีทั้งทางกายทางวาจาและจางใจครับแล้วก็เมื่อทําอยู่บ่อยๆเนืองๆเข้าอย่างน้อยๆก็ไปสุปติโลกสวรรค์และผลของศีลเนี่ยมันมีอานิสงส์ตั้งปัจจุบันบปัจจุบันก็อยู่เป็นสุขใช่ไหมท่านอาจารย์ครับอยากจะให้พระอาจารย์กล่าวถึงอานิสงส์ย่อๆตรงนี้ให้สาธุชนฟังหน่อยครับว่าอานิสงส์ของศีลเป็นอย่างไรบ้างครับ ก็อยากจะกล่าวเหมือนกันเพราะว่าการรับศีลไม่ใช่ว่ารับตามประเพณีรับด้วยเกรงใจพระพอทําพิธีทําบุญบ้านทําอะไรก็รับศีลสักหน่อยเป็นพิธีพอเสร็จพิธีแล้วก็ลงลงเป็นนั่งกงเล่าข้างล่างอย่างนี้อันนี้ครับมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลเพราะว่าเราไม่เห็นอนิสงฆ์อ๋อจริงๆริแล้วอนิสงฆ์มีใช่ไหมครับอาจารย์มีครับนี่เราเรามองกันแค่ว่าอนิสงฆ์ในปัจจุบันไม่ต่อต่อเมื่อตายแล้วนะครับปานาติปาตาเวรมณีแปลว่าเรางดเว้นจากการทําชีวิต สิ่งมีชีวิตให้ตกล่วงไปก็พูดง่ายๆก็เราไม่ค่าสัตว์ชีวิตนะครับครับนี่หมายถึงเฉพาะตั้งแต่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมานะครับพวกมดดํามดแดงขึ้นไปถ้าหลีกเลี่ยงได้เราหลีกเลี่ยงเนะครับคาว่าหลีกเลี่ยงได้หมายถึงว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปทํำก็เลยนะครับแต่ในกรณีที่มันจําเป็นจริงๆนั่นก็เช่นว่าโอ้โหยมันยกขาบวนขึ้นมันบนที่นอนอย่างนี้นะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คือยกเขาไปเคาะ ทางนอกบ้านใช่ไหมครั บ, รบถลิกเลี่ยงได้แต่ถ้าเขาแตกกระจายกันไปยกไม่ได้แล้วเต็มห้องเลยทำํำไงดีกวาดดูสิทำไมกวาดมากกวาดออกหมดไหมหาวิธีจนก ว, าว่าอมันสุดท้ายแล้วละ่ะต้องใช้ยาก็นั่นจําเป็นที่สุดแล้วแต่ถามว่าใช้ยานะ่ะด้วยความจําเป็นอย่างนั้นบาปไหมบาปเหมือนกันครับอ๋อบ า, บาปเหมือนกันใช่ไหมครับแต่มันบาปน้อยลงไปหน่อยออแต่เราถลิกเลี่ยงได้ถลิกเลี่ยงนี่หมายไปถึงว่าการชอบเป็นนักเลงโตชอบเป็นนักเลง อมือปืนฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี่นะครับอถือว่าของบางทีนี่ถือว่าเป็นอาชีพซึ่งมันเป็นอาชีพไม่ถูกต้องครับก็มาจากการที่คนเราไม่รู้จักบาปบุญคนทุกขคือไม่เชื่อว่านรุคมันมีออผลของกรรมมันมีเลยทําชั่วตามอํานาจของกิเลสไปผลเป็นไงครับฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราตอบอย่างน้อยๆญาติเขาตายญาติของญาติเขาก็ต้องมาตามล้างเราอีกคือเป็นการจองเวรซึ่งการในปัจจุบันนี้ครับ อย่างน้อยๆคนคนที่จ้างเขาฆ่านี่ครับหรือเราไม่ได้จ้างเองเราไม่ได้ฆ่าเองจ้างมือปืนไป่ฆ่าก็ต้องหนีหัวซุกหัวสุนนะครั บ, รบก็ต้องตามล่าหนจะหนีจากตํารวจทางบ้านเมืองก็ต้องคอยตามตามจับกุ่มนะครับคอยส่อหาว่าไปอยู่ที่ไหนไหนจะต้องคอยระว่าคู่เวรจะม า, าทำร้ายเอาเรียกว่าในปัจจุบันนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยู่ไม่เป็นสุขครับในชอบเบียดเบียนนะครับแล้วผล แม้แต่ผลการของคนที่ชอบฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นประจํานะครับครับประเภทที่ฆ่าไก่เป็นประจําฆ่าหมูเป็นประจํานะครับอย่างผมเคยได้ยินในที่แถวในสำพรานนะครับเคยมีเรื่องเล่ามามีอมนึงฆ่าหมูเป็นประจําฆ่าอยู่เป็นประจำน้านะครับต่อมาลูกชายเกิดมาครับแปลกครับเป็นอย่างไรครับอาจารย์หน้าตาเหมือนหมูครับอ๋อนี่กรรมคล้ายๆกับว่ากรรมมันใกล้เคียงกันครับส่งผลสะท้อนมากแม้แต่คนรอบข้างของตัวเองครับอ๋อลูกลูกตัวเอง เกิดมาหน้าเหมือนหมูหน้าเหมือนหมูมีเอกระากับแขนนี่ครับลักษณะเหมือนขาหมูลุกไม่ได้ครับอยู่ไม่กี่ปีก็ตายคล้ายๆกับว่าวิญญาณของหมูมันมาเกิดในท้องแล้วก็บอกให้รู้ว่าเนี่ยทำกรรมไม่มากแล้วนะแต่แกก็ดีครับเขามาเตือนแล้วเขามาเตือนแล้วครับมันแปลกนะครับท่านมหามีเรื่องอีกเยอะเลยครับแม้แต่อธินาทานก็เหมือนกันครับรักขโมยสิ่งของไม่เจริญหรอกครับ ขโมยเขาช่อโกงเขาสักวันหนึ่งครับเดี๋ยวก็โดนเขาโกงเราตอบหรือไม่เขาก็ยิงเอาค่าเอาครับหรือต่อโดนเด็กคนหลอกลวงอยู่ในชีวิตประจําวันหรือบางทีก็กําลังจะเรือนุ่งเรื่องอยู่เกิดอุทัคกีภัยไฟไม่บ้านไม่เหลืออะไรเลยอย่างนี้ก็มีครับทรัพย์ฉิบหายวิบัติไปคนั่นแหละครับนี่นเอาเอาเพียงเขาย่อๆนะครับธรรมาครับในในเรื่องของวิบากกรรมที่เห็นในปัจจุบันแต่ในอดีตในอนาคตที่ตายไปแล้วนี่ยังมีอีกเลยครับ ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าว่าย่อมเข้าถึงทุกขติมิบัตินรกนั่นเลยตรงในคมภีร์แล้วนั่นนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ก็ต้องมีสมาธินะครับต้องเกิดการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาคนไม่เห็นตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับครับนิมมบนพระอาจารย์ตอบครับครับก็ในเรื่องนี้นะครับเรื่องการเห็นพบภูมิต่างๆนี่แม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมในปัจจุบันเออย่างหลวงพ่อวัดปากน้ํานี่ก็มีเรื่องเล่าไว้นะครับมีอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำนี่ พิชาธรรมการนี่เขียนได้นะครับเรื่องการระลึกชาติเรื่องกเกี่ยวกับเกี่ยวกับภพภูมิเหล่านี้ครับก็ก็ส อ, อนอยู่เป็นประจำนะครับคือถ้าอยากจะดูอดีตชาติเราเป็นใครมาจากไหนอาจารย์อย่างที่นี่ที่วัดลวงพ่อสดเรานี่ก็หลวงพ่อพระวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมงชัยของเราก็ส อ, อนอยู่ใช่ไหมครับพิธีระลึกชาติก็อย่างที่พระดิพุกุลหลวงพ่อวัดปอน้ําเคยเคยสอนไว้นะครับว่าทําอย่างไรยังไงแต่ต้องถึงธรรมกายซสกครับแต่ก็มีคนมาบอกว่าเออพวกนี้ชอบ ติดนรกติดสวรรค์ครั บ, รบที่จริงก็ไม่ใช่ติดหรอกครับแต่ว่าดูเพื่อให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงนะอย่าประมาทนะตายแล้วมันไม่ศูญนะมันมีอยู่นะทำกรรมอะไรไว้น่ถ้าไม่เลิกละเดี๋ยวจะต้องไปรับใช้กรรมในข้างหน้าอีกล่ะกรรมในชาติในปัจจุบันนี้ก็ต้องให้มันก็ให้ผลอยู่แล้วหละจะตายไปอีกล่ะจะขนาดไหน แต่ไม่ได้สอนให้ติดอยู่เพียงแค่นรกนสวรรค์ตรงนั้นรครับมันต้องถึงเจริญวิปัสสนาไปถึงจนถึงพระนิพพานจุดมุ่งหมายคือการชำระกิเลสเข้าถึงพระนิพพานแต่มันเป็นอุบมันเป็นปัจจัยหนุนส่งกั น, ถ, น, น, ก น, นถ้าเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วมันโอ้โหแต่เห็นนรกท่านมหาครับจะกลัวไหาเห็นคนที่เคยรู้จักไปอยู่ในนรกเนี่ยวันนี้ก็ย่อมกลัวกว่ามีคนมาเล่าให้ฟังนะครับไดเห็นเองสมมุติว่ามีญาติของท่านมหาไปตกอยู่ในนรกเนี่ยท่านมหาจะนึกยังไงจะสม สงสารเขาไหมครับนี่แหละก็จะได้จําเป็นตัวอย่างเลยแหละครั บ, ค, รบคือมันจะมั่นใจลงไปกว่าที่ได้ยินได้ฟังมาครับแม้แต่ไปเห็นสวรรค์เห็นอะไรอะไรต่างๆนั้นก็เห็นตามเป็นจริงว่าคนทําความดีแล้วย่อมมีอนิสงส์อย่างน้อยๆก็มีสวรรค์เป็นที่ไปสุภติโลกสวรรค์ น, นะครับตาบใดที่<ๆ>ยังไม่หมดกิเลสก็ได้บําเพ็ญบา ร, รมีต่อไปอีกครับนั่นนะครับทําให้คนกลัวบาปกลัวกรรมคนสักคนในโลกนี้ที่กลัวบาปกลัวกรรมครับใน ในโลกของเราโดยมากแล้วไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้เพราะเขาไม่มีญาณที่จะอย่างรู้แล้วก็มีคนไม่เข้าใจหาว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเหลวไหนอกพุทธศาสนาทั้งๆ ท, ท, ที่มีอยู่ในคัมภีร์อย่างที่เราอ่านมาแล้วนะครับครับผมแล้วอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ํำนี่เคยมีคนมาหาหลวงพ่อสงสัยเรื่องในโลกสวรรค์ น, นี้่นะครับตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับก็ไม่ทราบว่ามีเวลาพอที่จะคุยกันหรือเปล่าครับก็เรื่องนี้ก็คงจะต้องอ่าคลายต่อไไว้คลายต่อไปเพราะว่าวันนี้ก็สาธุชนก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติ เกี่ยวกับเรื่องภพภูมิต่างๆครับที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในคำปีแตต่างดังที่พระอาจารย์ได้ยกมาสาธยายให้สาธุชนได้ฟังแล้วตั้งแต่ต้ตตนรายการมีจริงๆมีจริงๆจริงจริงจริงแล้วมีอีก <นะ S 1> อันหนึ่งนะครับข อ, อนิดหนึ่งรพระเถระที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้เป็นเอตัทคะเลยที่เรียกว่าผู้ที่มีตาทิพย์นี่ครับคือพระอนุรุทธเถระครับอ๋อที่เกี่ยวกับรู้เรื่องภพภูมิต่างๆหรว่าและก็อีกพระพโคกขลานะนี่ครับชอบไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ดูวิมานของคนโน้นคนนี้ แล้วก็มาเล่าให้ญาติที่เมืองมนุษย์ฟังหรือไปเที่ยวนรกไปเห็นญาติของเขาตกนรกมาบอกทางโลกมนุษย์ให้ทราบแล้วทําำบุญรุธิไปให้ครับไม่ครับมีนะครับไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้ารู้เห็นคนเดียวมีพยานมีพยานยืนยันครับถึงแม้แต่ถ้าจะพูดกันถึงมาในปัจจุบันวิชาธรรมกายก็สามารถยืนยันเรื่องเหล่านี้ได้นั่นเลยครับไม่ใช่ของนอกพุทธศาสนาครับครับก็สาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมสุสันติในวันนี้ก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่เสียดายด้วยเวลาของทางรายการมีเพียงเท่านี้ในวันต่อๆไปอาตมาก็จะได้นําหรือว่าได้กราบอารัตนาพระอาจารย์มาสนทนาธรรมอย่างนี้เพื่อให้สาธุชนได้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจะได้เอาไว้เป็นเครื่องยึดถือปฏิบัตินะอย่างเช่นว่าการละความชั่วการทําความดีการทําจิตใจให้ผ่องใสยอย่างนี้ถ้าเรามีตัวอย่างมาประกอบอย่างนี้ ก็จะได้มั่นใจลงไปสําหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอพระคุณพระเดศพระคุณอาจารย์พระมหารันตพนเศรษฐธรรมโอเเรียนธรรม9ประโยคจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารกราบขอพระคุณครับพระอาจารย์ครับสวัสดีครับก็วันนี้รายการก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้สาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภยัยและขอเชิญ ติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร